เอาให้ถามปัญหาเลยอ่ะใครมีปัญหาแล้วก็ถามต้องถามด้วยนะอา้าวพบะเพราข้อมูลที่ให้ไปวันนี้เยอะนะใช่ไหมล่ะเออต้องจับประเด็นได้สิต้องต้องต้องมีคำถามด้วยถ้าถ้าไม่ถามเดี๋ยวปัญหาจะลงไปจากตรงนี้ถามพวกเรานะเนอะโอ้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้น จะถามไล่ตอบเลยนะอย่างเงี้ยฉะนั้นรีบถามเสียใช่ไหมดีมั้ยอ้าวใครยกมือดิจะได้ถามนีม่กรถามเลยกราบในมรสการพระคุณเจ้าครับอ้าวรายงานตัวนิดเึีครับมีมีเรื่องสงสัยเรื่องกันผมผมนายบรรณวิศสมปองสอนวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนบรรจงรัฐครับ ขอกับนมัส ก, การพระกุณเจ้าขอเรียนถามปัญหาสงสัยเรื่องการถวายน้ำพระที่พระกุณเจ้าเน้นว่าให้ทำให้ปฏิบัติเนี่ยนะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยกระจางครั บ, รบขอกับน้มัสการขอท่านอธิบายอีกสักครั้งครับว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นอย่างไรครับก็าการถวายน้ำพระกุณฑเจ้าใช่ไหมครับผมเออก็คือ คือการถวายน้ําเนี่ยนะก็คือการให้น้ําน้ําเป็นทานทีนี้การถวายน้ําแด่พระพุทธเจ้าหรือรถวายน้ําแดดพระสงฆ์หรือการให้น้ำแก่พ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นจิตที่คิดจะบูชาคือมันอย่างนี้ยอมว่าวัตถุนะสมุติอตรงนี้มีน้ําเนี่ยนี่นะตรงนี้เป็นน้ํา ตัววัตถุคือน้ำอย่างนี้เ็าเรียกเป็นตัววัตถุทานตัวน้ำเนี่ยเป็นวัตถุทานไม่ใช่เป็นตัวบุญตัวบาปนะแต่จิตที่คิดจักบูชาที่มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นเป็นประธานนั่นแหละที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นสภาพจิตที่มันอ่อนโยน เป็นจิตที่ไม่มีของเสียเข้าไปเจือปนเป็นจิตที่มีความอ่อนโยนเป็นจิตที่มีความนอบนอบ้อมเป็นจิตที่มีความคิดจะเคารพคิดจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าแบบแท้จริงนั่นแหละตัวบูชาจริงๆท่านขับเน้นตัวนามธรรมาคือจิตแต่วัตถุทานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีเข้าไปตั้ง เข้าไปนอบน้อมเข้าไปสการะเพื่อจะบูชาเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววัตถุเนี่ยก็คือน้ํานี่แหละแต่ทําไมต้องเอาน้ำนํำพ้นน้ําเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ชําระล้างทีนี้จากการที่ใช้น้ําถวายสการะบูชาเนี่ยตั้งอัธยาศัยในการที่จะบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยเราใช้น้ํา ถวายบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งนิดหน่อยที่เราเอาไปถวายก็จริงอยู่แต่เราน้อมถึงน้ำที่สะอาดที่บริสุทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในมหาสมุทรทั้งสิ้นนั่นแหละน้อมบูชาด้วยทำไมต้องน้อมอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่าความคิดของเราเนี่ยของเราสัตว์ทั้งหลายของบุคคลทั้งหลายเนี่ย ที่เขาต้องการความสะอาดกันก็เขาเข้าไปอาบน้ากันเยอะเลยแต่เราจะใช้น้ํานี่แหละบูชาพทธเจ้าแต่ตัวบูชาจริงๆคือจิตที่คิดจะบูชาจิตที่คิดจะนอบน้อมทีนี้จิตที่คิดจะบูชาหรือจิตที่คิดจะนอบน้อมเนี่ยมันเป็นไปกับความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมันจึงกลายเป็นจิตที่ขจัดของเสียความไม่มีศรัทธาคือเป็นจิตที่เสีย การไม่มีความเพียรประคับประคองกุศลหรือจิตที่เป็นไปกับบุญนันนั้นเป็นของเสียแล้วก็ขัดจัดทิ้งไปความไม่มีสติในการที่เข้าไปลึกมั่นในคุณของพระเจ้าอันนั้นคือของเสียแต่การมีสติในการลึกมั่นในคุณของพระเจ้านี้เป็นจิตที่ดีจิตที่ไม่มีของเสียจิตฟุ้งซ่านนี่คือจิตมีของเสียเข้าเจือปนแต่จิตที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรนัตรยคือจิตที่ไม่มีของเสีย จิตที่ไม่รู้ไม่เข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าอันนั้นคือจิตที่มีของเสียแต่จิตที่รู้และเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจิตที่ไม่มีของเสียพระพุทธเจ้าได้สละเลือดให้เป็นทานบำเพ็ญบรารมีมากกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยในยะถึงขนาดว่ามากกว่าน้าในมหาสมุทร เออเราก็จะเอาน้ําเนี่ยบูชาพระปัญญาคุณของพุทธเจ้าซึ่งสามารถตรัสรู้สัจจะได้จัดเอาน้ํานี่แหละบูชาพระบริสุทธิ์ที่คุณคือพทธเจ้าบริสุทธิ์หมดจดจกกิเลสจัดเอาน้ํานี่แหละบูชาพระมหากรุณาที่คุณคือมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นต่อเหล่าสัตว์ เราจะเอาน้านี้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งหลายในที่มีน้ำทั้งหมดนั่นแหละน้อมถวายเป็นสการะบูชาพระศาสดาจิตทีคิดจะบูชาด้วยความเชื่อมั่นหนึ่งบูชาด้วยศรัทธาสองบูชาด้วยความนอบน้อมด้วยกายวาจาและใจ สบูชาด้วยการสละน้ําอย่างเด็ดขาดไม่ยึดติดมาเป็นของเราสี่ก็คือบูชาถูกการถูกเวลาด้วยทุกวันต้องบูชาเป็นกาลท า, านที่เราต้องทำห้าบูชาด้วยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไม่มีจิตที่เกิดด้วยทิฏฐิว่าเราทําดีกว่าเขาคนอื่นสู้เราไม่ได้หรือเราแย่กว่าเขา เราสู้คนอื่นไม่ได้เราจะไม่คิดกระทบกระทั่งใครก่อนบูชาก็ชื่นใจขณะบูชาก็เลื่อมใสบูชาแล้วก็ปลื้มใจต่อไปเราเห็นน้ำณนะที่ไหนจัดได้ไม่เกิดความกําหนัดยินดีขัดเคืองให้ตระหนักคิดว่าเราใช้น้ำนี้บูชาพระศาสดาแล้วถามว่าเมื่อคิดอย่างนี้ตลอดจิตจะอ่อนโยนไหม จิตจะขัดเกลารึไหมจิตก็จะนอบน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเห็นน้ําำณที่ไหนโอ้ชื่นใจเหลือเกินเราได้บูชาน้ํากับพระศ า, าสดาก่อนบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเห็นน้ําที่ไรก็คิดได้ทุกทีโอ้เราได้บูชาเพราะเราจะกินน้ําแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้กินด้วยความโลภโกรธหลงแล้ว บอกโอ้ยเราได้สละน้ําบูชาแล้วเราจะบูชาให้ต่อเนื่องเพราะไอสิ่งที่บูชาจริงๆคือจิตคือจิตนั่นแหละแต่จิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีน้ําเป็นสัญลักษณ์ไปบูชาจริงๆเนี่ยโดยมากจะไม่น้อมจริงๆและโดยมากเราห่ ว, หวงมนุษย์เนียึดติดทําไมเราต้องเลื่อมใสเห็นไหมว่าน้ําชําระล้างราคะโทสะโมหะ นี่แหละการบูชาน้ำในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแก่การชำระล้างกิเลสในใจของข้าพเจ้าให้หมดสิ้นไปด้วยเถอการบูชาน้ำในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าจงหมดจากราคะโทสะโมหะในใจหมดจากกิเลสด้วยเถอจะได้เดือดร้อนด้วยกิเลสเลยถามว่าใครควรพิจารณาและวิจัยอย่างนี้ยิ่งใหญ่ไหม พอจะมองเห็นได้ยังฐานของการบูชานี่ไงเพราะเราเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระธรรมนั้นยิ่งใหญ่ภาริยสงนั้นยิ่งใหญ่เ ร, ราจึงน้อมถวายน้ําเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาแดพ่พระธรมธรมแดพ่พระสงฆ์ชัดเจนได้ยังชัดเจนหรือนนี้บูชาน้ําเป็นได้ยังต่อไปอยากจะบูชาน้ํำไหม แค่อยากจะบูชาน้ำไหมใครยังไม่เห็น ม, มุมใครยังไม่เห็นความจำเป็นในการบูชาน้ำยกมือขึ้น <c oughs> <c oughs> เขาเห็นนี่ไม่เห็นจำเป็นเลยบูชาทำไมอ่าเราเอาเหตุผลมาถามหน่อยดิจริงๆควรถามนะเพราะโอกาสเจอกันไม่ค่อยมีนะชีวิตเนี่ยเราหายใจก็ไม่รู้จะขาดกันวันไหนเนี่ยระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเนีย ใช่ไหมล่ะถ้าลมหายใจขาดก็หมดโอกาสสอบถามถามเลยแต่ห้ามถามว่าเมื่อไรจะกลับเพราะเขามีเวลากำหนดไว้แล้วห้ามถามคำนี้จริงๆพระก็อยากกลับเหมือนกันนะวาพาะพระก็พักอีกที่หนึ่งใช่ไหมล่ะต่างคนต่างก็อยากจะกลับในนั้นะจริงๆแล้วจริงๆอยากกลับวิยังอยากกลับวอยัา อย่าง อ, อจริงๆพระก็อยากกลับเนี่ยพระก็ไม่ก็อยากอยู่พระจะมีความสุขมากก็ต่อเมื่อท่านอยู่ด้วยกันเองนะเพราะได้สนทนาพระธรรมได้นวดฟันได้ดูแลได้สนทนาธ ร, รมาได้ปฏิบัติพระจะชอบความสงบมากกว่าการมาอยู่กับหมู่ชนเยอะๆเนะแต่ว่านี่พระมาอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลต้องการมา ให้ความรู้ให้ข้อมูลให้เราได้ปฏิบัติให้ถูกถามเรียนรถเดีว่วจริงๆแ้ะคณะสงเนี่ยมาง่ายๆกันที่ไหนไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฝ่าฟัานอุปสรรคและพยานอันตรายมาเยอะแยะใช่ไหมล่ะชีวิตเนี่ยแล้วก็ฝ่าฟัานวอุตต้องกำหนดระยะเวลาเลยสารพัดหมด ไม่ง่ายเลยโอกาสที่พวกเราทั้งหลายจะมานั่งประชุมขันห้ามานั่งสนทนากันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจะไปคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จริงเลยผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันทั้งนั้นแหละที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันในวันนี้ไม่ง่ายหรอกและคนไม่มีบุญนี่ไม่มีโอกาสด้วยนะต้องมีบุญกันทั้งนั้นที่จะสามารถที่จะมาประชุมกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมานั่งสนทนากันเนี่ย ไม่ใช่ง่ายงั้นอย่าอย่าละโอกาสอันดีงามเอาใครจะถามก็รีบถามนี่พยายามโฆษณาชวนเชื่อไงไม่ก็ไม่ใช่โฆษณานี่เรื่องจริงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ถา ม, มพระจะถามไล่ลำดับนะเพราะพระบรรยายอะไรไปบ้างเนี่ยพระรู้อ่ะอ้าวมีคนยกมือเลยเพราะพระพูดอะไรไปพระจำได้หมดใช่ไหมงั้นพระก็จะถามกลับดี๋ยนี้ ใช่ไหมถามกลับให้เราตอบกันทีละคนเนีเอา้าวก็เชิญนางประภัยหวังในธรรมนะคะสงสัยเรื่องการถวายน้ำนะคะเอ่อว่าหมายถึงว่าการถวายเนี่ยคือเราเอาน้ำไปวางไว้หน้าพระพุทธรูปทุกวันหรือว่าเราอยู่ณที่ไหนเอ่อเราจะดื่มก่อนที่เราจะดื่มน้ำเราถวาย คือเราตั้งจิตอธิษฐานถวายน้าแก้วเนี้แด่พระพุทธเจ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะคะอ๋อคืออย่างนี้ก็คือก่อนนอนถวายครั้งตื่นนอนก็ถวายหมายถึงถวายตอนหน้าพระพุทธรูปหรือว่าที่ไหนก็ได้ก็อยู่ที่บ้านมีพระพุทธรูปก็ต้องถวายตอนหน้าพระพุทธรูปเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่เป็นอุเทศิกาเจดีน ะ, ะเป็นสั ญ, ญลักษ ที่เคารพเป็นพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้เราอยู่ที่บ้านก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะอู้น่ะถวายก่อจะตื่นขึ้นมาเนี่ยให้น้อมถวายน้ำก่อนค่อยบริโภคตอนเย็นก็ไปถวายอีกครั้งหนึ่งก็วันละสองครั้งทีนี้ถ้าเราไปที่อื่นที่ท่านมหาอุนาพูด่อาจารย์มหาอาพูดทีนี้ถ้าไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้า ไม่มีพระลูกก็น้อมจิตแล้วก็เห็นสถาที่ตรงไหนที่จะวางได้ก็น้อ ม, อมสมมติว่ า, าไปพักที่โรงแรมไม่มีเลยเอาละเอาแล้วก็ไม่มีไม่มีแก้วก็อีกเอาแล้วก็หาแล้วขวดเลยจะให้ขวดเล็กๆหรือขวดใหญ่แลว ก, ก็แต่ที่มีอยู่แล้วก็น้อมอัศลาก่อนก็นแล้วกัน ใช่ไหมล่ะน้ําขวดทั้งไม่กี่ตังค์ว่าง <ฮะ S 1> แต่บุญน่ายิ่งใหญ่กว่าแล้วก็น้อมและลึกถึงและลึกถึงอะไรและลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณและลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณและลึกถึงพระปัญญาคุณ <ฮะ S 1> ใช่ไหมล่ะและลึกถึงพระคุณสามประการของพระสัมมาสัสามพุทธเจ้านี่แหละก็น้อมถวายเพราะตัวบูชาจริงๆคือ จิตที่เป็นไปกับกุศลจิตที่มีศรัทธาคือความเชื่อมั่นอันนี้ถึงจะบูชาแต่ถ้าไปได้แค่รูปแบบเช่นไปตั้งน้ำเขาไว้แต่ใจไม่ได้คิดบูชาไม่เป็นบูชานะต่อจะตั้งไว้ดีขนาดไหนจะจัดโต๊ะหมู่บูชาสวยขนาดไหนจัดอลังการลขนาดไหนแต่ไปตั้งก็ไว้แต่จิตมันไม่ได้เป็นคิดบูชาอะไรแต่ตั้งตั้ ง, ต, งตั้งเนี่ยไม่เป็นนะไม่ได้ก็บูชานะ เพาบูชาจริงๆได้แก่กุศลที่มีเจตนาคือความตั้งใจจริงแล้วก็มีปัญญาแล้วก็มีศรัทธาเนี่ยเป็นฐานรากคือความเชื่อมั่นเข้าใจคุณของบรรดาณตร r a ตรงนั้นต่างหากจิตเนยเราโน้มไปที่ไหนก็ได้สังเกตดูทีหากเราจะโน้มไปที่พระเจดีย์ใหญ่ในจังหวัดลบบุรีก็ยังได้ น้อมไปนที่ไหนที่เราเคยเห็นเคยดูยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วน้อมบูชาทำไมจะไม่ได้เพราะเราเห็นคุณของพระผู้ว่าเจ้าในในใจเราแล้วก็น้อมบูชาเห็นไหมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหาพระพุทธรูปไม่ได้หาสั ญ, ญลักษณ์คือพระเจดีย์ไม่ได้หาต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่ได้ หาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อันนั้นก็น้อมบูชาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแต่ในเรื่องการบูชาเนี่ยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับกายเป็นอะไรจิตเป็นไปกับปรามโมดเป็นไปกับปีติเป็นไปกับความสงบและเป็นไปกับสมนัตเป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดสภาพกิเลสคือความเศร้าหมองทั้งหลายก็ไม่กุ้มรุมในใจเห็นไหมทำไมเราต้องอยู่กับคาราวะาเนี่ยเริ่มต้นจริงๆต้องบูชาพระรัตนตรัยให้ถูกก่อนถึงจะเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติถึงจะเรียกว่าปฏิบัติทำตามสมควรแก่การพ้นทุกข์ได้ หรือถึงจะเรียกว่าปฏิบัติถูกหลักถ้าบูชายังไม่ถูกแล้วอย่างอื่นอย่าพึ่งไปมันโดดข้ามไปแล้วยอมเหมือนจะสร้างตึกไงยอมยอมจะโดดขึ้นบนสร้างหลังคาก่อนสร้างยอดก่อนไปไม่เป็นหรอกต้องบูชาให้เป็นก่อนถ้าไปดูในมงคลเนี่ยถามท่านมหาอำนาจเนี่ยในมงคลนะ่ะปูชาจะบูชนียานังเนะี่ย ในมงคลสามแปดกนในดีกาท่านสุมังคาราจา์เนี่ยนะเขียนไว้เลยบันทึกไว้ด้ว ย, ยการบูชาการที่ปฏิบัติทำเนี่ยให้ถูกหลักเนี่ยเริ่มต้นก็คือเนี่ยบูชาให้ถูกบูชาให้ถูกขาว่าบูชาให้ถูกรูปแบบถูกเข้าใจแต่จิตที่ตั้งไว้ที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นไปกับ ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัยมีเจตนาในความตั้งใจมีสภาพจิตที่ดีมีคุณภาพจิตที่ดีมีคุณภาพจิตที่ขจัดของเสียขจัดโรคขจัดโทษของจิตออกได้หมดแล้วก็มีปัญญานําหน้าแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นในขณะนั้นมีปลาโมดอิ่มใจในน้อยเกิดขึ้นได้ด้วยมีปีติขนลุกชูชันนะนะบางคนเนี่ยนะ แล้วก็มีปัจสถิคือความสงบแล้วก็มีโสมนัสมียานปัญญาเกิดขึ้นและมีสมาธิตั้งมัน่นโดยถึงจะเรียกว่านั้นนะ่ะบูชาได้จริงถ้าอย่างนั้นมันเป็นได้แค่รูปแบบแปลว่าการบูชามันไม่ถึงมันไม่ถึงใจมันได้แค่รูปแบบการบูชาไม่ถึงใจได้แค่รูปแบบจิตก็ไม่สามารถขจัดความเศร้าหมองความเร่าร้อน หรือสภาพจิตที่มันทุกข์มันวิตกกังวลเป็นต้นได้นั้นจิตใจต้องเบิกบานต้องตัดความกังวลได้น้อมบูชาเห็นไหมมันจะมีทั้งความรู้ความเข้าใจมีองค์ประกอบเยอะแยะไปเสร็จหมดเลยนั่นแหละบูชาเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะอ้าวไม่เข้าใจอีกเข้าใจยังโอเคตอบแล้วคนไม่ค่อยเข้าใจลำบากเหมือนกันเข้าใจไม่ยอมปราบมาการเจ้าค่ะอเจ้าค่ะขอการ คือเมื่อกี้บอกว่าการบูชาแล้วบอกว่าจิตจิตนั้นเป็นบุญจิตนั้นเป็นกุศลโยมย่างแยกไม่ค่อยออกไอ้เฉ้าข่าวว่าจิตอย่างไรที่เรียกว่าเป็นบุญจิตอย่างไรที่เรียกว่าเป็นอกุศลเพราะความรู้สึกบางทีปิติขนลุกเวลาเจอคนที่เรารักเราก็ปิติขนลุกได้เหมือนกัน การให้คนที่เรารักเราก็รู้สึกปิติขนลุกได้เหมือนกันแล้วมันแยกได้ยังไงเจ้าคะ่ะว่านี่คือประโมทปิติที่เป็นกุศลนะเจ้าคะออ่ะอลักษณะของกุศลเนี่ยนะเป็นลักษณะของจิตที่มันไม่มีโทษเนาะจิตที่ไม่มีโทษนะทีนี้จิตที่มีโทษคืออะไรจิตที่มีความกำหนัด ยินดีเพลิเพลินยึดติดยึดติดนะเช่นความโสมนัตที่มันเป็นไปกับการยึดติดแต่มันยึดติดแล้วมันเป็นไปกับความเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กุศลหรือจิตที่มันเป็นไปกับความเครี ย, ยดความวิตกกังวลความขัดเคืองความโกรธความพยาบาทความมาคาดอันนี้ก็ไม่ใช่กุศลหรือจิตที่มันเป็นไปกับ ความแข็งกระด้างความเห็นที่ผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจิตที่มันลังเลสงสัยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้คือจิตที่มันมีโทษลักษณะที่มันมีโทษพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นไปกับความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินเป็นไปกับความขัดเคืองมัวเมาบางทีก็เป็นไปกับความลุ่มหลงบางทีก็เป็นไปกับสภาพจิตที่แข็งกระด้างไม่อ่อนโยนตอ ความดีไม่อ่อนโยนต่อพระรธาไตรยัยเห็นพระรธาไตรก็เฉยเฉยเมยเมือยอย่างเงี้ยลักษณะเงี้จิตมันมีโทษลักษณะจิตที่เป็นโทษและจิต pressure, ท, ที่มันมีเป็นโรคเพราะมันไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการเยียวยาจิตแบบนี้เป็นจิตที่มีของเสียเพราะมันไม่อ่อนโยนมันไม่น้อมเป็นไปกับทานกุศลไม่น้อมเป็นไปกับศีลกุศลไม่น้อมเป็นไปกับภาวนากุศล ไม่น้อเป็นไปกับคุณความดีทั้งหลายลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมันเป็นอกุศลมันเป็นบาปแต่จิตที่มันเป็นกุศลเช่นถ้าคิดจะบูชาเนี่ยจิตก็ลักษณะที่ไม่มีโทษลักษณะที่ไม่มีโทษก็คือว่าจิตที่มันเป็นไปกับสุขอ่อนโยนด้วยนะเป็นสภาพจิตที่เป็นไปกับ ไม่มีของเสียดังที่ได้กล่าวแล้วสภาพจิตนั้นจะมีความคล่องแคล่วแล้วก็จะเป็นไปกับความอ่อนโยนมีความซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าคิดคุณของพระพุทธเจ้าก็ค่อนข้างจะซาบซึ้งไม่แข็งกระด้างให้สังเกตดูนะว่าฟังคําสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เฉยเมยแข็งกระด้างหลับหลับตื่นตื่นอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันมีโรคจิตมันมีโทษพอฟังคําสอนพทธเจ้าก็ไม่เคยเสะเทือนถึงใจไม่ลึกซึ้ง ไม่ไม่น้อมนามาปฏิบัติไม่มาประชมก็สู่ความคิดมีการคิดขัดแย้งไประยะระยะลักษณะนี้เ้าเรียกว่าจิตมันมีโทษจิตนั้นมันเป็นโรคแล้วมันต้องเยียวยาต้องรักษาโดยด่วนต้องพบหมอคือพทธเจ้าโดยด่วนใช่ไหมล่ะพทธเจ้ามีอยู่พระเจ้าอุปมาเหมือนหมอนั่แหละ คนป่วยก็คือจิตที่มันเป็นโรคเนี่ยมีอยู่การที่เราไม่กระเสือกกระเขาตามที่เราไม่เพียรพยายามในการที่จะเข้าไปหาหมอเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดของหมอแต่เป็นความจิตของคนที่จิตมีโรคเช่นฟังว่าธรรมก็สปะปง ก, กึ๊กตึ๊กเนี่ยจิตเนี่ยมีโรคจิตมีของเสียอยู่จิตมันแข็งกระด้างมันไม่น้อมในการที่จะฟังว่าธรรมทั้งๆที่เป็นข้อมูลนะมีเหตุมีผลนี่แหละ และอัศจรรย์ด้วยให้สังเกตดูนะถ้าเราไปแสดงไปดูคนที่เขาแสดงฤทธิ์แสดงเดชเนี่ยไม่อัศจรรย์หรอกมันจะตื่นเต้นแป๊บเดียวนักเข้านเข้ามันเบื่อแล้วนะกเข้าไอา้ซ้ำซ้ำนี่ไอ้แสดงก็ซ้ําๆซ้ำซ้เห็นไหมแต่เหตุผลของพระธรรมเนี่ยยิ่งฟังยิ่งอัศจรรย์เพราะมันกําจัดจิตที่เป็นบาปได้จริง กำจัดโรคภายในจิตได้จริงและทำให้เข้าถึงความจริงทำให้ได้รับความสุขสมนัสจริงแต่ไม่ใช่เป็นสุขสมนัสที่ยึดติดแต่เป็นสุสขสมนัสที่ปล่อยวางได้และเป็นไปกับความดีเป็นไปกับสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเป็นเป็นสภาพจิตที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระราชนตรยัยขับเน้นในการที่จะฝึกตนเองเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่ การเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนี่เป็นอย่างนี้นะสภาพจิตที่มันมันเป็นกุศลทีนี้พอสภาพจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมันจะทำลายจิตบาปจิตที่เป็นอกุศลจิตที่มันมีโรคจิตที่มันแข็งกระด้างก็จะถูกทำลายจิตที่มันลังเลสงสัยนี่จิตที่เป็นกุศลก็จะทำลายความลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ จิตที่ไม่น้อมจะฟังทำจิตที่แข็งจิตที่ดื้อทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกกุศ ล, ลจิต ท, ทําลายไปทําลายไปทําลายไปเป็นอยแบงนี้นะจากไม่มีศรัทธาศรัทธาก็เพิ่มขึ้นจากไม่มีความเพียรก็มุ่งมั่นจะเพียรมากขึ้นจากการที่หลงหลงลืมสติก็มีสติตั้งมั่นมากขึ้นจากที่ฟุ้งซ่านก็มาเป็นสมาธิจากที่ปัญญาไม่ค่ยเกิดปัญญาก็จะเข้ามาเกิดเป็นระยะระยะสภาพจิตที่เป็นกุศลมันจะเป็นอย่างนี้แล้วสังเกตตรงไหน กายก็สะอาดคือกายสงบวาจาก็สะอาดก็คือวาจาสงบใจก็สะอาดก็คือใจก็สงบนี่ผลปรากฏสังเกตไหมถ้าใจก็ขุ่นมัวหงุดหงิดฟุง้งไอ้นี่ไม่ใช่เลยเนี่ยในจิตบาปจิตอย่างนี้จิตเป็นบาปแสดงไม่เห็นว่าการตั้งใจฟังธรรมะของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอต้องตั้งใจต่ออย่ายอมแพ้ อย่าแพ้เด็ดขาดเพราะเราแพ้มานานแล้วฝึกต่อไปฝึกในการที่จะฟังฝึกในการที่จะขัดเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งอัทยาศัยตลอดว่าเราต้องชนะจิตเสียให้ได้อย่างที่พูดแต่ทีแรกว่าคนที่ควบคุมมือเออขอไปคนที่ควบคุมเท้าของตนเองไม่ได้ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จการงานที่เนื่องเลยเท้า คนที่ไม่สามารถควบคุมมือของตนเองได้ก็ไม่สามารถจะประสบความสําเร็จการงานที่เนื่องด้วยมือคนที่ไม่สามารถควบคุมปากและลิ้นของตนเองได้ก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จในการใช้ปากและใช้ลิ้นคนที่ไม่สามารถควบคุมจิตของตนเองได้ฝึกจิตตนเองได้ให้เขาถึงกุศลก็จะล้มเหลวก็จะล้มเหลวไม่สามารถที่จะขัดกรองคัดกรองจิตเสียๆออกที่สุดจริงๆจะล้มเหลวทั้ง ทั้งชาตินะไม่ใช่ทั้งชีวิตนะทั้งชาตินะแล้วไปชาติหน้าก็ล้มเหลวอีกเพราะอัธยาศัยที่ไม่ยอมคัดกรองหรือฝึกตัวเองนี่แหละมันเป็นโทษจิตนี่นะถ้าเราไม่เรียนรู้ให้ดีๆไม่พยายามฝึกมันนะมันจะยิ่งแข็งยิ่งโดยสํนวนก็คือยิ่งฝึกยากขึ้นยากขึ้น ถ้าปล่อยไปตามยะถากรรมโดยยิ่งเสียหายเลยเข้าใจอย่างยากไหมล่ะเอา้าขอข อ, อการอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเมื่อกี้บอกว่าการถวายน้ำให้ประกอบด้วยปัญญาปัญญาว่ายังไงเจ้าค่ะในแง่ของการถวายน้ำเนี่ยเจ้าค่ะปัญญาในที่นั้นก็คือหนึ่งเห็นพระมหากรุณาธิคุณว่า พระพ่มีพระเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณดุดห่วงมหันโนบที่เราสวดกันเนี่ยมียังไงพระพุทธเจ้าทรงประทานศีลซึ่งเป็นอริยทรัพย์ให้กับพุทธบริษัทเพราะพระองค์กรุณาในสัตว์ทั้งหลายที่จักไม่มีสารณะคือที่พึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์โลกเนี่ยถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะจะพากันไปลําบาก สัตว์โลกที่เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะความไม่มีศีล น, นะเช่นเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมและไฟไหม้เนี่ยเพราะโทษของไม่มีศีล น, นะศีลข้อสองเนี่ยไม่ดีเนี่ยทำให้เราวิบัติเพราะรัพซับเราต้องวิบัติศีลข้อแรกไม่ดีเนี่ยทำให้เราพิกลพิ ก, การแล้วก็ทำให้เราต้องเสียชีวิตหรือเสียญาติ ศีลข้อสามไม่ดีเนี่ยทําให้เราต้องแตกแยกจากญาติมิตรศีลข้อสีไม่ดีเนี่ยทําให้เกิดการทะเลาะวิวาททาให้คนไม่เชื่อถือด้วยนะศีลข้แล้วก็ข้อส่อเสียดนี่นะก็ทาให้ทะเลาะวิวาทขัดแยง้งแตกสามคัคคีแล้วอย่างหนึ่งทําให้มีทําให้เราโกรธแค้นกันเองแล้วก็ทำให้เราเสียสติกเกาะศีลข้อห้านี่แหละ ไม่ดีเห็นไหมพระเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณต่อสัตว์โลกก็เลยประทานอริยทรัพย์คือกุศลศีลให้สัตว์นั้นเอาไปถือไว้ในกระแสของชีวิตต่อไปชีวิตจะได้ไม่ลําบากจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดจะได้ไม่ผิดหวังไอ้ที่เราต้องมาผิดหวังเนี่ยทําไมเรามีสุขภาพก็ต้องเต็มไปด้วยโยครคภัยแค่เจ็บ ก็นี่ไงศีลข้อหนึ่งมันออกเล็ดออกเดดมาแล้วเนี่ยรักษาไว้ไม่ดีไงมันก็ให้ผลได้เจ็บปวดทําไมเราต้องหาทรัพย์ทั้งชาตินะบางคนเกิดมาเนี่ยไม่ใช่หาทั้งชีวิตหาทั้งชาติเลยนะก็ไม่มีกินไม่มีใช้อยู่เนี่ขยันไม่ใช่ไม่ขยันนะแต่ทําไมมันไม่พอเก็บก็เพราะศีลข้อ ส, สองนี่แหละมันบกพร่องทําไมเราต้องเดือดร้อนกับคู่ครองก็เพราะศีลข้อสามทำไมต้องแตกแยก ทำไมพูดใบคนมันไม่ค่อยเชื่อถือเราก็ศีลข้อ ส, สี่ทำไมชีวิตของเรามันจะต้องมีปัญหาขัดแย้งเป็นเรื่องนิดก็ไอ้กลุ่มศีลข้อสีนี่แหละก็คือพูดส่อเสียดทำไมเราพูดนิดหน่อยเขาก็โกรธเราก็ไอ้เ น, นี่ยศีลที่เราพูดคำหยาบนี่แหละทำไมเราพูดยาต่างๆเหล่าเนี้ใช่ไหมเราเป็นไปกับการไม่มีสาระทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันเนี้ยนี่ก็กลุ่มศีลข้อสี่เป็นต้น หรือทําไมเราต้องสติปัญญาไม่ดีในศีลงก็ห้าพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณนั้นปัญญาที่ไปเห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าเพราะได้พระบรมศาสตรานี่แหละประธานกศรรุศลศีลให้เป็นหลักนําของชีวิตให้ได้สันนิเป็นต้นนี่ไงคือปัญญาก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้แหละพบฟังนั่นแหละปัญญาถึงจะเกิดพราะเราเนี่ยถ้าไม่ฟังเนี่ยปัญญาไม่เกิดหรอกจะเกิดเองได้ไง ต้องเกิดจากการฟังการอ่านที่สิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละปัญญาหรือข้อมูลทั้งหลายมันถึงจะเกิดขึ้นนะเนืพอจะชัดเจนนหมจ๊ะก็ก็คือปัญญาในเรื่องกรรมและผลของกรรมพวกนี้ด้วยก็คือไล่ไปจนถึงศีลปัญญาท่านศีลก็คือเรื่องกรรมก็ปัญญานั่นแหละที่ไปเข้าใจเรื่องเหตุและผลเรื่องกรรมและผลของกรรมนี่แหละ จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทําให้เรารู้ว่าสิ่งนี้ทําแล้วจะทําให้กระแสชีวิตเราสมหวังหรือผิดหวังทําให้กระแสชีวิตเราเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนฉะนั้นปัญญานี่แหละที่ไปเข้าใจเหตุและผลฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องสาคัญนะทีนี้ให้สังเกตตัวนะเนี่ยเรื่องต่อไปเนี่ยนะในวันต่อๆไปเนะี่ยเขาจะเจาะมุมลึกไปเรื่อยๆนะ เรื่องทานกุศลนี่แหละเรื่องที่เราทํากันนี่แหละจะเจาะมุมไปเรื่อยพยายามฟังแล้วก็จดจับประเด็นเข้าไว้เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยต้องอย่าให้เสียหายใช่ไหมละ่ะเพราะว่าต้องต้องพยายามจับประเด็นให้ชัดยังไงเขาก็เรียกเราครูล้วเรียกเราอาจารย์ใช่ไหมละ่ะถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตเลยนะ เรื่องของทานกุศลเนี่ยเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเนี่ยเรื่องการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยถ้าเราวางหลักของชีวิตตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ถูกเนี่ยหรือที่เราผ่านมาเนื้อมาเทียบเคียงดูเราจะเห็นจะเห็นมุมพระเจ้าสอนกับสิ่งที่เราคิดตามประเพณีนิยมหรือสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยเออต่างกันยังไงแล้วเราจะพัฒนากระแสะชีวิตของเราอย่างไรให้เข้าถึงพุทธโอวาทเจดีงแท้จริง ไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตามประเด็นกันให้ชัด oh. อ้าวมีใครจะถามอีก <c oughs> องั้นโยมถามแทนนิดนึงค่ะพอดีเมื่อเช้านั่งฟังเจ้าค่ะเลยโยมคิดว่าไอ้ความโลเลที่มันเป็นที่มันมีที่ในใจเรามีกิเลสอยู่อะค่ะแล้วเราจะตัดความโลเลนั้นได้อย่างไรเจ้าค่ะ โย่เออยอมถามเรื่องความโลเลเอาถามหน่อยใครเดี๋ยวถามนะใครยังมีความโลเลอยู่ยกมือขึ้นดังนันนะ้ใครโลเลเรื่องการเดินทางบ่อยที่สุดลองยอกมือสิ <c oughs> โลเลเรื่องการเดินทางจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปอะไพวกนี้ พอไปได้ครึ่งทางก็จะกลับอะไรเงี้ยโลเลเบิร น, นี่บ่อยอ้าวยกมือที่มีไหมอาใครโลเลเรื่องเสื้อผ้ามากที่สุดชุดนี้ไม่ชุดนี้อะไรเงี้ยยกมือที่เรื่องเสื้อผ้าโลเลมากที่สุดโอ้โหเอ้าใครโลเลได้เครื่องประดับ่จะใส่อะไรจะตกแต่งยังไงโลเลมากเลยเนี่ยหรือมันไม่ค่อยมีจะโลเลเท่าไหร่ <laughs> มันมีสองกรณีนะไอ้ที่มันไม่โลเลเพราะไม่มี ไม่ค่อยโรเล่เอา้าวไครโรเลเรออาาร่เรื่องอาหารเรื่องอาหารเนี่ยจะกินเนี่ยเรื่องจะกินเนี่ยโรเล่มีไหมโรเล่เรื่องอาหารโอ้มีเหมือนกันนึงโรเลยังไงบอกว่ากินอะไรดีกินอะไรดีหน้านะบางทีชีวิตเนี่ยนะพอเจอหน้ากันก็จะกินอะไรไม่มีอะไรนะมีอะไรก็จะกินอะไรบางทีเข้าไปในร้านอาหารยังถามว่าให้จะกินอะไรโรเล มังคนไปไปมาคิดไม่ค่อยออกคิดได้อย่างเดียวมาะมะ่าโอ้กินจนหน้าจะเป็นมาหม่ากินอะไรเลยเอาไขโลเลเรื่องเพศตรงกันข้ามไม่ก่ายกมือไว้กายยกมือโลเลเรื่องเพศตรงกันข้ามก็คือไอ้คำว่าโลเลเนี่ยอย่าลืมนะว่า ไอ้ก่อนจะตัดสินใจก็โลเลอยู่แล้วพอตัดสินใจเรียบร้อยเป็นเสร็จยังโลเลอยู่ไม่น่าเลยแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกคู่ครองใช่ไหมไม่กล้าบอกแต่จริงๆแล้วโอ้โหเราคิดผิดยามที่เนี้ยยามที่เกิดทะเลาะทีไรเราจะมีความสึกม่นหาเลย ไม่น่าเลยบ่อยไหมบ่อยไม่บ่อยโลเลห้า e ประการนี้จริงๆฐานมันมาจากไอตัวกิเลสนี่แหละตัวกิเลสคือโลภะบ้างโทสะบ้างและโมหะบ้างแต่อย่าลืมนะตรงนี้มันมีผลกระทบต่อการโลเลในการนับถือพระรัตนไตร นี่ไงโลเลมากเลยฉะนั้นการโลเลในการนับถือพรัตนาไตรเนี่ยการที่จิตของเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นไม่เชื่อมั่นในคุณของพรัตนาไตรนี่ไงมันจึงเป็นเหตุทำให้เรามานั่งคุยกันในวันนี้ให้สังเกตดูนะ บางคนฟังวันนี้มีความคิดว่าเอาละเราจะเริ่มเข้าถึงพระรัตนตรัยเสียทีเราตั้งท่ามานานแล้ว <c oughs> มองดูกระจกหมมองดูเงาหน้าในกระจกรล้วรอยบนใบหน้าก็เริ่มขึ้นมาทุกวันแล้วอายุ ก็ปาก่าเขามาขนาดนี้แล้วเราก็พุทธัทงสันนังกชามีทำมังสันนังกชามีสังขังสันาังกชามีมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาละตอนนี้เราจะตั้งหลกักจริงจริงจังๆเสีทีเอาพอเริ่มเดือเสร็จพอมีพวกมาชวนบอกเออเนี่ยรู้สึกว่าให้มาช่วยในเรื่องนี้หน่อย ตอนนี้ยุ่งเหลือเกินทั้งๆ ท, ที่งานเราก็เต็มอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้โหเขาเรียกกรุณาพัมเพื่อกรุณาพัมเพื่อกลายเป็นเสียอะไรได้ไหมจิตก็โลเลออกจากพระรตนาไตรไปหมกมุ่นกับการงานนู่นไปหมกมุ่นกับการงานนั่นแหละดูเหมือนว่าเกิดมาเหมือนเราจะสางงานให้มันเสร็จ จริงๆแล้วมันเสร็จจริงไหมงานทั้งโลกเนี่ยมันไม่เสร็จจริงหรอกต่อให้มีล้านอัตภาพไม่ต้องร้อยนะล้านอัตภาพหนึ่งล้านอัตภาพเนี่ยก็ไม่สามารถจะสางงานในโลกนี้เสร็จเพราะตายแล้วมันก็กลับมาทำใหม่ตายแล้วก็กลับมาทำใหม่มันจบเป็นที่ไหนเรานี่ก็เพราะเราโลเลไงจะเข้ามาทางพระรัตนตรัยก็ไม่ค่อยมั่นใจไปๆมาๆก็ถูก เรื่องทางโลกๆดึงไว้หมดดึงจนนาขนาดไหนหรู้ไหมโดยํำนวนนะมามาใช้ใช้ํำนวนอะไรไหมถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าถ้าขายขายกว๋วยเตี๋ยก็ในละตายตายคาหม้อกว๋วยเตี๋ยวไม่อยากจะใช้คบว่าถ้าเป็นครูก็ตายคาช็อกนะ ตายตายคาช็อกโลเลเยอะคือรู้สึกทางด้านกรรมคุณเนี่ยมันรู้สึกมันดึงดูดมากแต่เรื่องพระรัตนตรัยนี่เข้าเข้าออกออกผุดเข้าผุดออกสําคัญไม่ค่อยผุดเข้ามาเลยทีไม่ค่อยผบเข้ามาเลยในพระรัตนตรัยเนี่ยวันๆเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือคิดถึงพระรัตนตรัยน้อยมากนอกนั้นคิดถึงใครบ้างก็ไม่รู้ นี่ไงแล้วอะไรเป็นสารณะของเราเออคิดไหมเคยคิดไหมว่าโรงเรียนมันจงรัฐเนี่ยถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้เคยคิดแบบนี้ไหมหรือนักเรียนชั้นเนี่ยเขาต้องเราเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับ น, นักเรียนอยู่ถ้าไม่มีเราเนี่ยนักเรียนคงไปไม่ได้แน่ๆคิดแบบนี้ไหมไอ้ที่ตายไปรุ่นก่อนๆเขาก็คิดแบบนี้แหละ <c oughs> เขาคิดแบบนี้แหละ แล้วก็ตายกันหมดแล้วที่คิดแบบนี้อะคิดเองเออเองถ้าจะคิดแบบนี้ให้ปรึกษาพทธเจ้าแล้วพระเจ้าจะตอบให้บอกเออไอ้ที่คิดอย่างเธอเนี่ยตายมาหลายร้อยรุ่นแล้วหลายร้อยรุ่นแล้วแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยเราเนี่ยมียมคนหนึ่งถามามาว่า เออเนี่ยเขาต้องการที่จริงเขาก็เสียอายุแล้วนะนี่ตอบปัญหายมนิดโดยเฉพาะนี่นะเขาก็เกษียณอายุไปเสร็จแล้วบางคนจะปิดงานปิดการแลไปเสร็จแล้วเนี่ยนะก็มาถามมาว่าเออพอดีตอนเนี้ย ท, ท, ทั้งๆที่เกษียณอายุแล้วเนะี่ยแต่เขายังจ้างต่อยังมีความจําเป็นเนึกเกินถ้าไม่ไปทําแล้วสึกบริษัทที่นี่เขาจะอยู่ไม่ได้ ขาครบห้าปีครบสี่ปีแล้วเนี่ยดิฉันจะมาปฏิบัติให้เต็มที่ท่านอาจารย์ว่ายังไงถามว่ามาเงี่ยมาก็บอกอมาปรึกษาอะไระมาโยมก็กลับไปปรึกษาลมหายใจของโยมนั่นสิเราไปถามลมหายใจที่มันจะอยู่ได้กี่วันใช่ไหมเออโยมนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าต้องการจะขจัดความโลเลโยมนิดต้องถามลมหายใจของตนเองว่า มันพอจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีเนี่ยที่เรามาโลเลอยู่อย่างเงี้ยปรึกษาทุกวันปรึกษาทุกวันวันละหลายร้อยร้อยครั้งแล้วลมหายใจจะตอบเราเองบอกว่าเอ้ยเอยชักไม่ไหวแล้วนะเนี่ยมาโลเลอะไรกันนักกันหนาในชีวิตเนี่ยบอกว่าคนที่โลเลก็จะอยู่อย่างเงี้ยแต่คนที่เขาไม่โลเลวันนี้เขาขัดเกลาตัวเ อ, เองไปได้เยอะแล้ว บางกลุ่มก็กำลังจะพ้นทุกข์บางกลุ่มก็พ้นทุกข์เรียบร้อยไปแล้วเช่นพระพุทธเจ้าไม่เคยโลเลเลยพอระดมฝึกตนเองก็ฝึกเต็มที่เห็นไหมการเข้าใจพุทธอวาดเนี่ยก็สามารถที่ปฏิบัติต่อบุตรภรรยาญาติมิตได้หมดถูกต้องเขาไม่โลเลเขาไม่ยอมให้กิเลสมาบงการชีวิตเขา แต่เขากับการจัดการกักกีเลสไม่ให้มามีอิทธิพลในชีวิตเขาได้ไม่ให้ความโลภมามีอิทธิพลกับชีวิตเขาไม่ให้ความโกรธมามีอิทธิพลในชีวิตเขาไม่ให้ความมัวเมารุ่มห ล, ง, ลงมามีอิทธิพลในชีวิตเขาเพราะเขาฟังพุทธโอวาทอยู่ต่อเนื่องเช่นตะโลภามันจะเกิดจะเข้ามาในใจเนี่ยเขาเห็นเป็นโจรไงอยอก็บอกไม่เอาเราไม่เปิดประตูต้อนรับโจรหรอกเขาปิด ไม่ให้โจรมันเข้ามาสู่กระแสะชีวิตเขาไอาเรานี่ตามสบายเลยเชิญเขาเข้ามามามาเข้ามายังมีที่ว่างอีกเยอะมันก็เข้ามาก็ละเลงชีวิตเราก็เลยมีรู ก, กายเป็นอะไรเลยทอนนี้ยเป็นที่มาวิ่งเล่นและมามาม า, มาเกิดของกิเลสกิเลส ก, ก็บงการชีวิตเราก็ออกจากพุทธโอวาทไปเห็นไหมว่าการสมาทานบ่อยๆการตั้งใจบ่อยๆวันละหลายร้อยรอบ จะสามารถทำให้เราออกจากความโลเลได้ต้องใหม่ๆต้องตั้งใจบ่อยๆนะหนึ่งเราเห็นโทษของความโลเลแล้วเห็นคุณของความไม่โลเลแล้วก็เดินตามพุทธโอวาทและสมาทานบ่อยๆว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจกไม่ให้ความโลเลในใจใเกิดขึ้นจะเดินตามพุทธโอวาทไม่กลัวต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นถ้าตั้งใจบ่อยๆนีชนะห ก็ฉันนะไม่มีอะไรหรอกชัดเจน้อยังเจ้าค่ะหมดเวลาอย่างอ้าวขออนุญาตนะครับด้วยกระผมนายรุธนงศินนะครับเป็นขออนุญาตเป็นครูอนุบาลเผื่อคุณพ่อคุณแม่สอบถามเล่มที่ปฏิบัติธรรมวันนี้มีรูปปก พระสมณะพะเจ้าประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศขออนุญาตนำกราบเรียนด้วยความเคารพครับอ ย, อ, อยากทราบชื่อที่มาครับผมมี่ก็เรียกพระพุทธโลกนี้เรียกพระพุทธเมตตาประดิษฐานอยู่ที่เจดีพุทธคยาที่ตัสรุนุตลาสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือที่ พุทธกยาเนี่ยมีต้นพระสรีมหาโพลแล้วก็มีวระแท่นวชชะอาดหยุดติดที่ต้นพระสรีมหาโพลแต่ในยะแห่งการที่ประทับตับสรู้ของพระเจ้าจริงๆก็คือที่ประทับของพระพุทธเมตตานี่แหละที่ตรงนี้แหละที่เป็นที่เป็นวระแท่นวชชะอาดเป็นอปปลาชิตาบรลลังเป็นบรลลังที่ไม่พ่ายแพ้ สถานที่ตัสรู้โนตรสัมมาสัมพอริยาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ไม่ทรงละอย่างในชมพูทวีปเนี่ยในโลกใบนี้ไม่มีที่ใดที่เป็นนั่งที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้มีที่เดียวเพราะที่อื่นไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมแห่งการตัสรู้สัมมาสัมพอริยาณของพระพุทธเจ้าได้ ฉะนั้นที่หน้าที่ตรงนี้แหละเป็นที่ประทับนั่งตัโรุณุตระสัมมาสัมพริญาณของพระเจ้าเขาจึงเรียกว่าอปลาชิตบาลังบาลังที่ทรงไปนั่งแล้วไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสสมารมารคือราคาโทสะโ ม, มหะไม่พ่ายแพ้ต่อขันธมารคือกระแสของตาหูจมูกเล่นกายใจไม่พ่ายแพ้ต่อมัจจุ ม, มานคือความตาย ไม่พ่ายแพ้ต่ออภิสังขารมานก็คือกระแสของบุญและบาปที่จะนำไปให้ไปเวียนว่ายายเกิดในสังสารวัฏและไม่พ่ายแพ้ต่อเทวปุตตมานมานคือเทวดาที่เป็นมิจฉาทิ ถ, ถีทั้งหลายที่มารบกวนสมควรแก่วเวลาหรือยังฮะเอาอีกสิบนาทีดิ อ้าวเอาปันนมือขึ้นเดี๋ยวเราอุทิศส่วนกุศลกานอย่างนั้ น, นวันนี้เราฟังท ร, ร ม, มานะแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติกันมานี่เขาเรียกปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งหลับตาอย่างเดียวนะการหลับตาอย่างเดียวนั้น ก็ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติที่ครบวงจรการปฏิบัติที่ชีวิตของฆราวาสเนี่ยคือต้องเข้าใจเรื่องทานกุศลเข้าใจคำศีลกุศลแล้วก็พัฒนาสู่ภาวนากุศลต้องเข้าใจสามประการนี้ให้ชัดนั่นคือหลักของคราวาสถ้าไม่เข้าใจการให้ทานก็ก็เรียกว่าปฏิบัติแต่ต้องถูกด้วยนะการรักษาศีลด้วยการบําเพ็ญภาวนาทั้งหลาย ก็คือการเจริญบุญกุศลทั้งหลายนี่แหละวันนี้เราได้ทํากันมาวางจิตถูกบ้างผิดบ้างนี่นะวันแรกๆเนี่ยแต่เราน้อมเอาจิตที่ตั้งไว้ถูกที่เป็นกุศลนะที่จะมาอุทิศส่วนกุศลอย่าตั้งอย่าเอาจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือที่มันไม่เป็นบุญเน่ยมาเอามาอุทิศไม่ได้ไม่มีใครต้องการการให้ส่วนบุญเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทําด้วยกายวาจาใจที่เป็นไปกับกุศล เท่านั้นถึงจาอุทิศได้ให้สังเกตมไหมว่าเวลาผ่านมาในการอบรมเท่ากันแต่บุญที่เกิดมันไม่เท่ากันตรงนี้แหละฉะนั้นวันพรุ่งนี้อย่าปล่อยให้จิตมันเสียเยอะเพราะเราเท่านั้นรู้ว่าเราได้บุญมากเลยน้อยถ้าคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะเราจะเริ่มสังเกตว่าเออสภาพจิตของเราเนี่ยเราวกวนสับสนวุ่นวายบ่อยไหมฟุ้งซ่านบ่อยไหม การตั้งใจฟังทำฟังด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะแล้วก็นอบน้อมในการฟังไหมขัดเกลาตนเองฝึกขัดตั้งใจจริงหรือไม่สังเกตนะแต่ละวันนี่ยมีเวลาเท่ากันแต่บุญไม่เท่ากันเมื่อมันสร้างเหตุไม่เท่ากันผลที่ได้รับนึงต่างกันฉะนั้นอย่าปล่อยขณะให้มันเสียไปอย่าปล่อยโอกาสให้มันเสียไป เรามีขณะเท่ากันเรามีโอกาสเท่ากันที่จะได้บุญขวอยคว้าบุญได้เท่าเท่ากันนะเวลานะและโอกาสและเวลาแต่การต้านจิตของคนเราเนี่ยมันตั้งไม่เท่ากันไปวันพรุ่งนี้ก็เอาวันนี้จําไว้ว่าเราจะขวนขวายฝึกตนเองพัฒนาต น, นเองให้ได้มากกว่านี้ให้เข้าถึงกุศลเข้าถึงบุญมากกว่านี้จากไม่ทําอย่างวันนี้นี่เขาเรียกว่าตั้งใจพัฒนาตนเองแต่ไม่ใช่ว่าเออค่อยคบคอดไปก็สิ้นเรื่อง อันนี้ไม่ได้ประโยชน์พระก็เหนื่อยฟรีใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยพระก็เหนื่อยสิอย่างเนี้ยพวกเราก็มานั่งเหนื่อยๆกันนี้ก็ไม่ได้แต่พระเนี่ยว่าเรามาแสดงธรรมท่านรักษาใจท่านอยู่แล้วไม่ต้องกลัวกังวลตรงนั้นเพราะท่านต้องฝึกจิตตัวท่านมาดีท่านถึงจะมากล่าวว่าทําได้ถ้าไม่ฝึกมาเนี่ยท่านก็จะไม่มาอยู่ในหมู่คณะแบบนี้นะมาท่านก็เสียขาดทุนถ้าขาดทุนเนี่ยท่านกลับทันทีท่านไม่อยู่นะ สมมติเอามามาอยู่ๆเนี่ยเอา ม, มาได้บาปเนี่ยเอา ม, มาไม่อยู่หรอกจะบอกบอกบอกเน้นพอแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ระบาปกินแล้วเกินได้อยู่ไปเดี๋ยวแย่ใช่ไหมล่ะทีนี้มาเนี้ยก็คือตั้งใจมาจเจริญกุศลกันให้ได้กุศลจริงๆให้ได้ความตั้งมั่นในกุศลจริงๆนะให้ให้ได้ความมุ่งมั่นในกุศลจริงๆในการที่จะเดินเข้าสู่ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก็มานั่งคิดตั้งแต่เช้าใส่บาตนะไล่มาตามลําดับมาจนถึงขณะ น, นี้นั้นแหละนึกถึงสภาพจิตที่เป็นกุศลก็ว่อาอ่านนมมือขึ้นเดี๋ยวจะได้อุทิศส่วนกุศลหน้าที่เท่าไหร่ในอุทิศส่วนกุศลเนี่ ย, นนยหน้าที่เท่าไหร่เอามาจําหน้าไม่ได้ได้แต่ท่องได้อย่างเดียว ช่วยบอกให้น่าจะรับเอร้อยแปดร้ อ, อ, ยดอยสี่อ่ะเปิดไปหน้าร้อยสี่อร้อยสิบสี่ใช่ไหมอา้าวเปิดไปร้อยสิบสี่ตัวเล็กมองไม่เห็นอ่ปะปนมมือขึ้นตั้งใจตั้งจิตให้ดีนะไม่ใช่สักแต่ว่าท่องท่อ ง, ท, องท่องให้จบนะจิตต้องวางไว้ให้ถูกด้วยอะสัตว์ทั้งหลาย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 มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแต่ก็ดีท่านเหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอท่านเหล่านั้นจองอนุโมทนาเองเถิดส่วนท่านเหล่าใด ที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดโปรดบอกท่านเหล่านั้นให้รู้ด้วยขพเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วจงเป็นผู้ไม่มีเวตอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของท่งงานนั้นจงสำเร็จเธอสาธุสาธุเอาอีกหน้าหนึ่งบุญใดที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพระเจ้า ทำให้แจ้งโลกุตละทำก้าวในทันทีถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตสะสงสารขอให้ข้าพเจ้าพอที่สัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภาพัพสิบแปดอย่างข้าพเจ้าเป็นจากเวีทนทงห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทังห้าเจเห็นจกเ้าพาคือกาขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว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 ไม่เป็นคนเขาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบาย่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและทรรมขอให้ยานของข้าพเจ้าเป็นใบไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุจลมพัดไปในอากาศฉชนั้น ความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกพบเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สแสดงธรรมเครื่องผลทุก เ, เมื่อนั้น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 สองไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตสะสรู้ได้พันกะทาให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประดาบด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเตี่ยมแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเธิดสาธุสาธุสาธุาธเอา้าคุกเข่าขึ้นกลับพลวะวอรหังสมมาสัมบุโธพระกาวาพุทธังพรวาวนตังพิวั กวากัตโตบาควตาดัมโมทามันะมาสักะโอปติปันโนภาควตัสวาคัสังโกสังฆะคอ้าวกราบพระอ้าว กราบพระรัตนตรัยและอากาศระสงฆ์กราบสมณเหน่อยอ้าวตั้งใจพร้อมกันนะอภินมมืออ้าวกราบกราบกราบถึงพื้นได้ถึงพื้นเลยนะกราบพอตอนนี้หลังเรายังไม่ถึงขนาดกราบไม่ถึงพื้นใลพยายามน้อมกราบไมถึงพื้นนะเออสาธุยกเว้นแต่หลังมีปัญหาไม่เป็นไรไม่ว่ากัน แต่ยังไม่มีปัญหารีบกาบเสียเดี๋ยวต่อไปเราจะใช้หลังในการทำความดีไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะแข็งแล้เาก็จะกาบไม่ถึงรอบชีวิตเป็นอย่างนั้นเลย